ปีพรรษาที่43มกราคมพศ2510หลวงปู่ป่วยหนะักเริ่มแต่วันที่18มกราคม2510หลวงปู่เริ่มป่วยขั้นเริ่มแรกก็เป็นไข้หวัดแต่อาการของหวัดนั้นผันแปรไปในแง่ต่างๆที่จะยังโรคอื่นๆให้แทรกซ้อนและกําเริบรุนแรงไปตามๆกันหนักเข้าจนชันไม่ได้เริ่มแรกเป็นไข้หวัดใหญ่ที่ยังไม่แปรเป็นโรคอื่นๆหลายชนิดในาธาตุขันนั้น ท่านยังอุตส่าห์ลงไปฉันจังหันร่วมพระเนรในวัดที่นาธรรมกรองเพนได้ตามปกติในสายตาคนภายนอกก็อาจคิดว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรนอกจากโรคชราประจำคนแก่อย่างเดียวเท่านั้นแต่เพราะโรคกำเริบแปรเป็นอย่างอื่นไปไม่มีสิ้นสุดกําลังธาตุขานก็ซุดลงทุกวันเวลาจนไม่สามารถไปฉันร่วมหมู่คณะที่ทรรได้ท่านยังยอมอดยอมทนและฝืนฉันแม้จะได้เล็กๆน้อยๆที่กุดีท่านเองจนฉันไม่ได้ กำลังอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดการพลิกแพลงอวัยวะจำต้องมีพระเนนคอยดูแลอุปถากตลอดเวลาข่าวคราวความไม่สบายของหลวงปู่กระจายไปถึงไหนคลื่นมนุษย์ประชาชนพระเนนมาถึงนั้นอย่างรวดเร็วเพราะต่างคนต่างมีจิตใจใฝ่ฝันยึดมั่นในองค์ท่านเป็นที่ฝากเป็นฝากตายภายในใจอย่างแนบสนิทอยู่แล้วเมื่อทราบข่าวว่าท่านไม่สบายก็จำต้องสะเทือนใจอย่างหนักราวกับฟ้าดินถลม่มขัวหัวใจจะขาดหายไปจาก ร่างในเวลานั้นจนได้นับแต่ข่าวนั้นผ่านเข้าความรู้สึกต่างก็หลังไหลามาทุกทิศทุกทางทั้งประชาชนทั้งพระเนเนจากที่ต่างๆทั้งใกล้และไกลต่างหลังไหลามายิ้ยมอาการของท่านด้วยความกระหายอยากพบอยากเห็นอยากกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจในขณะที่เข้ามากราบไหว้ท่านวัดถ้ำกลองเพลในช่วงที่ท่านป่วยนั้นจึงเป็นเหมือนมีงานในวัดแออัดไปด้วยผู้คนหญิงชาย พระเนนและคาวาที่มาจากที่ต่างๆจนทางวาัดไม่อาจรับรองได้ทั่วถึงทั้งที่พักหลับนอนอาหารการบริโภคต่างให้ช่วยตัวเองบ้างช่วยกันเองบ้างในเวลาขาดแคลนจำเป็นเพราะวาัดก็เป็นสถานที่อยู่ของนักบวชผู้ขอทานชาวบ้านมาฉันมิใช่สถานที่อยู่ของมหาเศรษฐีซึ่งต่างก็ทราบกันอยู่แล้วแต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่วัดถ้ำกรองเพนมีบริเวณอันกว้างขวางและเต็มไปด้วยป่าด้วยเขาร่มไม้ เงือนผาต่างๆการพักอยู่หลับนอนจึงสะดวกโดยยึดเอาป่าเขาร่มไม้ในในบริเวณวัดเป็นที่พักผ่อนหลับนอนเลยทีเดียวอย่างสบายหายห่วงเป็นความสะดวกทั้งพระเนรและประชาชนจํานวนมากที่มาพักเยี่ยมอาการท่านชั่วคราวเฉพาะอาหารการบินทบาทสาหรับพระเนนและประชาชนแทนที่จะอดอยากขาดแคลนเพราะคนมากด้วยกันแต่ก็มีอุดมสมบูรณ์แต่ต้นชนปลายที่ท่านป่วยซึ่งเป็นเวลาสเดือนกว่าไม่บกพร่องขาดเขินเลย นับว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์นในบุญวาสนาบารมีของหลวงปู่ท่านคุ้มครองแม้ผู้คนพระเนนจำนวนมากที่มาคราครากันก็เป็นประหนึ่งลูกของพ่อแม่เดียวกันหรือเป็นเหมือน อ, อวัยวะอันเดียวกันอยู่ร่วมกันด้วยคว า, าสมสงบสุขไม่มีอธิกรณ์หรือเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นเลยต่างมีใบหน้ายิ้มแย้มแมจ่มใสพบปะทักทายกันอย่างนุ่มโนนอ่อนหวานราวกับเคยพบเห็นและสนิทสนมกันมาเป็นเวลานานปีเริ่มแรกที่ท่านป่วย ทางวัดและครัวอาจารย์ทั้งหลายปรึกษากันไว้เกี่ยวกับผู้คนพระเนนมามากอาจเกิดความไม่สงบขึ้นได้พร้อมกับความเข้มงวดกวดขันพระเนนที่ก้าวเข้ามาในวัดเพื่อรักษาความสงบในหมู่คณะที่เข้าเกี่ยวข้องกันไว้ไม่ประมาทเรื่องราวก็ผ่านไปด้วยความสงบราบรื่นดีงามทุกประการน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งไม่น่าจะหลงลืมได้ลงคอในชีวิตของผู้เขียนและท่านผู้เคยได้พบเห็นเหตุการณ์นี้ด้วยกัน หลวงปู่ฉันไม่ได้และสุดลงโดยลำดับประชาชนพระเนนยิ่งหลั่งไหลมาทุกที่ทุกทางระยะที่ท่านป่วยนับแต่เริ่มต้นป่วยหนักผู้เขียนเด้งเล็บหลวงตาบัวก็มาอยู่กับท่านเป็นประจำหลายวันจะกลับไปค้างวัดสักคืนสองคืนก็ต้องรีบกลับมาทางนี้เพราะเป็นห่วงท่านมากและเพื่อความสงบเรียบร้อยในด้า น, น, นอื่นๆแต่ก็เดชะบา ร, รมีของหลวงปู่ท่านคุ้มครองรักษาสถานการณ์ทุกด้านสงบเรียบร้อยดี สำหรับอาการของท่านเมื่อขบฉันอะไรไม่ได้ท่าดขันก็ยิ่งสุดลงยังเห็นได้ชัดในใสายในสายตาทั่ ว, วไปเมื่อเรียนถานถึงความเป็นอยู่และการจากไปท่านให้เหตุผลอย่างจับใจพเพลาะมากว่าจะมีอะไรในท่าดขันอันนี้จะไปเมื่อไรก็ไม่ได้วิตกวิจานอะไรเสียดายมันนี่เพราะก็เห็นแต่ดินน้ำลมไฟอันเป็นส่วนผสมของธาตุรวมตัวกันอยู่เท่านั้นถ้าผู้รู้คือใจไปปราศเสียเมลัยเมื่อนั้น มันก็กระจายลงไปสู่ท่าเดิมของตนทันทีไม่รอฟังเสียงใครๆทั้งสิ้นเลยแหละถ้าไม่คิดเกี่ยวข้องกับหมู่คณะและประชาชนที่มีส่วนได้ ส, ส่วนเสียรวมอยู่ได้แล้วแม้ขันจะแตกไปเดี๋ยวนี้ก็ให้แตกไปเราก็หมดความรับรู้ความรับผิดชอบลงทันทีไม่มีภาระใ ด, ดต้องแบกหามอีกแล้วคําว่าอนารโยที่เป็นฉายาของเรามาแต่วันเริ่มบวชจะได้เป็นความจริงตัวจริงขึ้นมาอย่างสมบูรณ์เวลานี้ที่ยนารโยของเรายังไม่สมบูรณ์ ก็เพราะขันธสมมุติขันธปัญโจกเขาแบ่งไว้ต้องรับผิดชอบเขาทุกด้านทุกทางคือต้องพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาทายพาเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ท่านนั้นท่านี้ไม่ได้หยุดโยนผ่อนคลายบ้างเลยราวกับพัดลมหมุนติว้วติ ว, ตวอยู่ถนองนั้นขึ้นชื่อว่าสมมุติมันมีความสงบนิ่งอยู่เป็นปกติสุขได้เมื่อไร่ต้องหมุนของมันอยู่ถนองนั้นข้างนอกก็หมุนข้างในก็หมุน แม้ขันห้าในร่างกายของเรานี้ก็หมุนมันอยู่สงบสุขไม่ได้จะไปหวังเอาความสุขความสบายจากมันซึ่งเป็นตัวหมุนติวติวอยู่นี้ได้อย่างไรถ้าใครจะหวังเอาความสุขความความสบายจากขันอันเป็นบอ่อแห่งความทุกข์ความกังวล น, นี้ผู้นั้นก็คือผู้พลาดหวังตลอดไปจะไม่มีขันใดมาสนองต่อความสมหวังนั้นเลยผมเองก็ครองขันนี้แบกขันนี้มาร่วมเข้าแปดสิบปีนี้แล้วก็ไม่เห็นได้สิ่งพึงใจ สนองตอบจากขันอันนี้ที่เดินๆก็มีแต่ทุกเท่านั้นทั้งทุกย่อยทุกใหญ่แสดงอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้ไม่เคยเห็นความสงบสุขของขันปรากฏให้รู้เห็นอย่างชัดเจนบ้างเลยเวลาปากติไม่เจ็บไายได้ป่วยก็แสดงทุกประจำขันขึ้นมาอยู่นั่นแลเช่นเจ็บนั้นปวดนี้ตามอวัยวะน้อยใหญ่ไม่เห็นแสดงความสุขให้เห็นนี่นาที่ว่ากันว่าสุขๆนั้นก็เสกสรรเอาเฉยๆด้วยความติดปากติดใจในสุขต่างหาก ความจริงแล้วร่างกายส่วนต่างๆไม่เคยแสดงความสุขอย่างเด่นชัดให้เห็นเหมือนแสดงความทุกข์ให้แบกหามซึ่งแต่ละครั้งแทบสลบสลายและตายได้ถ้าทุกนั้นไม่หยุดการแสดงตัวใครๆจะไปหลงลงหลงแรงในขันว่าจะเอาสุขมาแจกแบ่งพอให้ดีใจบ้าง น, นอกจากทุกร้อยแปดขณะนาไม่จบสิ้นเท่านั้นที่มันมาทุ่มให้แบกให้หามเรื่อยมา ผมเองก็ยอมรับว่าแบกขันอันเป็นกองทุกนี้มาแปดสิบปีนี้เองยังจะให้ทนแบกไปถึงไหนกันอีกพูดจบประโยคแล้วท่านยิม้มนิดนิดราวกับท่านยิ้มเยาะเย้ยกิเลสและวิบากของกิเลสคือขันที่ท่านกำลังครองอยู่จใจผมแบกกองฟืนกองไฟไปหาอะไรโดยเข้าใจว่าขันนี้จะเอาของอัศจรรย์มาหยิบยื่นให้ผมไม่สงสัยในขันนี้ทั้งที่กาลังครองตัวอยู่และสลายจากกันไปผมเป็นผม ขันเป็นขันจะให้คว้ายึดมาบวกกันหาอะไรการปล่อยขันโดยสิ้นเชิงเท่านั้นอนาราโยจึงสมบูรณ์แบบการเมตตา ส, สงสารหมู่เพื่อนและประชาชนนั้นยอมรับว่าเต็มดวงใจไม่มีบกพร่องการฝืนอยู่ทั้งที่รู้ว่าขันนี้เป็นทุกข์ก็ฝืนอยู่เพราะความเล็งประโยชน์แก่ผู้คนได้รับซึ่งมีอยู่จำนวนมากต่อมากนั่นแหละลพังตัวผมเองพร้อมเสมอที่จะปล่อย พาราหฮเวปัญจากขั้นธาที่เคยเป็นบ่อแห่งน้ำตาของสัตว์โลกและของเราผู้เคยหวงหึงหวงมันเวลานี้เราไม่ห่วงไม่หวงและพร้อมที่จะปล่อยวางลงตามท่าเดิมของเขาไม่ขัดไม่ขืนไม่ฝืนความจริงเนื่องจากเคยฝืนมาแล้วเจอแต่ทุกข์จนเข็ดหลาบอย่างถึงใจมาบัดนี้จึงไม่ฝืนปล่อยตามคติธรรมดาซึ่งเป็นทางเดินของธรรมคือความจริงอันตายตัว ท่านผู้เคยรับผิดชอบกอบกู้ตัวเองมาโดยหลักธรรมชาติไม่มีใครบอกไม่มีใครบังคับแต่ความจําเป็นหากบังคับตัวเองให้จําต้องรับผิดชอบในตัวเองด้วยกันทุกตัวสัตว์จงอย่าประมาทและจงถือจิตเป็นรากฐานสําคัญพาดําเนินทั้งการอาชีพและการบําเพ็ญความดีทั้งหลายตลอดความประพฤติอัธยาศายการแสดงออ ก, ออกทุกอาการจงแสดงออกด้วยการรับผิดชอบตัวเองโดยทําความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้ทําดีทําชั่ว เราเป็นผู้แสดงออกด้วยอาการต่างๆซึ่งมีเจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบคือเราเองเป็นผู้คอยรับผลดีชั่วของงานนั้นๆผลงานนั้นๆไม่สูญหายไปไหนจะไหลเข้าสู่ต้นเหตุคือเราซึ่งเป็นผู้ทำผู้แสดงออกคำว่าเราอันเป็นหลักใหญ่ในตัวคนก็คือใจใจเป็นของไม่ตายและไม่เคยตายมาแต่การไหนนอกจากกระเห่เร่ร่อนไปเกิดในกาเนิดดีชั่วต่างๆตามอานาจของวิบากรรมดีชั่วที่ตนทาไว พาให้เป็นไปเท่านั้นยิ่งคําว่าตายแล้วศูนย์นั่นไม่มีในใจดวงใดๆเลยทั้งใจสัตว์ใจบุคคลแม้ใจพระพุทธเจ้าและใจพระอาหารหันต์ผู้สิ่งกิเลสตัวพาให้เกิดตายแล้วก็ไม่ศูนย์แต่ไม่เที่ยวสแสวงหาที่เกิดต่อไปเหมือนใจที่มีกิเลสเป็นเชื้อพาให้เกิดตายเท่านั้นเพราะใจนั้นเป็นใจอนุ ป, ปาทิเสสนิพานของผู้สิ่งกิเลสโดยสมบูรณ์แล้วอันคําว่าตายแล้วศูนย์ก็ดีคําว่าบาปไม่มีก็ดี คำว่าบุญไม่มีก็ดีคำว่านารกไม่มีก็ดีคำว่าสวรรค์ไม่มีก็ดีคำว่านิพพานไม่มีก็ดีเหล่านี้เป็นหลักวิชาในคัมภีร์ของกิเลสตัวครองไตรภพมันเรียนจบวิชาเหล่านี้แล้วจึงครองหัวใจสัตว์โลกแม้มันจะโขกจะสับสัตว์โลกลงหนักเบามากน้อยเพียงไรก็ทําได้ไในวันวันพรั่นพึงและสะทกสถานต่อผู้ใดว่าจะมาหานสู้กับมันเพราะวิชามันดีทันสมัยสัตว์โลกยอมรับอย่างหมอบราบไม่กล้าฝ่าฝืน ร้อยทั้งร้อยวิชาทุกแขนงจากคัมภีร์กิเลต ท, ที่เสี่ยมสอนไว้ต้องเป็นวิชาลบล้างความจริงของธรรมที่แสดงไว้ทั้งสิน้นเช่นความจริงแห่งธรรมแสดงไว้ว่าตายแล้วเกิดวิชาจากคัมภีร์ของกิเลตต้องสอนกลับกันว่าตายแล้วศูนย์เช่นธรรมว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีวิชาของกิเลตจะปฏิเสธหรือลบล้างทันทีว่า บาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีดังนี้ทุกคัมภี์ไม่ก้าวไายกันดังนั้นพวกเราชาวพุทธจำต้องได้พิจารณาเลือกเฟ้นด้วยความละเอียดถี่ถ้วนไม่งั้นต้องโดนคมภี์ของกิเลสฉุดลากลงเหวลงบอ่อลงนรกอเวจีเพราะความหลงเชื่อกลลมันชนิดไม่มีใครช่วยได้เพราะสายเกินแก้เสียแล้วการแก้หรือการชำระล้างกิเลสและคมพีของกิเลสที่ฝังจมอยู่ภายในใจเรา จึงควรแก้ควรล้างด้วยคำพี์พุทธธรรมเสีย แ, แต่บัดนี้ที่ยังมีชีวิตและเป็นการอันควรอยู่ตายแล้วหมดโอกาสจะทําได้นอกจากเสวยผลดีชั่วที่ตนเคยทําไว้เมื่อคราวเป็นมนุษย์เท่านั้นคําว่าอัตตาหิอัตโนนาโธนั้นท่านสอนให้พึ่งตัวเองไม่ให้หวังพึ่งใครในไตรในภพกาเนิดใดทั้งสิน้นท่านสอนให้ทําความดีเพื่อตัวเองเสียแต่บัดนี้จะอบอุ่นภายในใจทั้งยังมีชีวิตอยู่และเวลาตายไป เนื่องจากกว่ามีคุณธรรมคุ้มครองป้องกันตัวผิดกับผู้ไม่มีบุญมีธรรมอยู่มากซึ่งไปถือกําเนิดเกิดณที่ใดก็มีแต่กําเนิดที่เกิดที่อยู่อันเป็นฟืนเป็นไฟไปตามๆกันหมดขึ้นชื่อว่ากิเลสตัวเป็นมารของธรรมแล้วต้องเป็นมารของสัตว์โลกไม่มีทางสงสัยการแสดงออกของมันมีแต่การหลอกลวงสัตว์โลกให้เข้าสู่หลุมฐานเพลิงคือกองทุกข์ไม่มีประมาณโดยถ่ายเดียว หาที่พอเชื่อถือและยึดเป็นที่อาศัยชั่วระยะเดียวก็ไม่ได้ผลเต็มไปด้ฟืนด้วยไฟทุกกิ่งทุกแขนงไม่มีเกาะมีดอนพอให้หายใจด้วยมันได้ปราท่านจึงดำเนิ่ติเตียนมาตลอดทุกยุคทุกสมัยไม่เคยยกยอบ้างเลยว่ากิเลสก็ทําให้โลกร่มเย็นกิเลสก็เป็นทําให้ความเสมอภาคยุติธรรมแก่โลกเป็นต้นนองจากกลหลอกลวงเต็มตัวของมันมาทุกยุคทุกสมัยไม่เคยทิ้งดวดลายของการปลิ้นปลอนหลอกลวงสัตว์โลกผููโง่เขลาที่น่าสงสารบ้างเลย สำหรับธรรมมีแต่ความอ่อนโยนเมตตาสงสารกรุณาช่วยให้สัตว์โลกพ้นจากความโง่เขลาเบาปัญญาให้พ้นจากความทุกข์ทรมานต่างๆพยุงส่งเสริมให้บรรเทาเบ า, บาบางจากทุกข์ให้มีความสงบสุขโดยถ่ายเดียวระวังกิเลสกับธรรมต่างกันมากจนหาส่วนเทียบกันไม่ได้เดินสวนทางกันร้อเปอร์เซนตกิเลสหลอกลวงสัตว์ผูกมัดสัตว์ให้จมอยู่ในวัฏฏะทุกโดยถ่ายเดียวส่วนธรรมพรยุงส่งเสริมสัตว์หรือขนสัตว์ให้ขึ้นจากวัฏฏะทุกโดยลําดับ จนถึงวิมุตตุดพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงฉะนั้นระหว่างกิเลสกับธรรมจึงต่างกันมากดังที่กล่าวมาดังนี้หลวงตาบัวผู้เขียนกราบเรียนถามความรู้สึกของท่านที่มีต่อขันเวลานั้นท่านเทศเสยกใหญ่เราก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอ่อนเพลียนในธาตุขันบ้างเลยพูดจนผู้ฟังสะดุ้งไปตามๆกันทั้งสุ่มเสียงทั้งกิริยาการแสดงออกทั้งความเข้มข้นแห่งธรรมที่หลั่งไหลออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ของท่านเวลานั้น ซึ่งไม่มีใครคาดฝันว่าท่านจะสามารถฝืนขันแสดงได้อย่างถึงพริกถึงขิงถึงกิเลสถึงธรรมขนาดนั้นผู้ฟังทั้งหลายต่างยิ้มแย้มแจ่มใสหูตาสว่างไป ต, ตามๆกันในขณะนั้นผู้เขียนมีนิสัยไม่พอดีจึงมักไม่มีความอิ่มพอในธรรมที่ท่านเมตตาอธิบายให้ฟังยังอยากฟังให้ยิ่งขึ้นไปแล้วสอดแน่ปัญหาธรรมแถมพกถวายท่านตอนท้ายต่อไปนี้ ครูบาอาจารย์จะนับวันหายวันหายคืนไปโดยลําดับและหายขาดเป็นปกติในธาตุขันไม่อาจสงสัยเลยเพราะทำที่ครูบาอาจารย์โปรดเมตตาครั้งนี้เป็นธรรมประเภทเผาเกลีย่ยปินโรคโรคในขันโรคต้งแต่กระจายไปหมดไม่มีโรคชนิดใดจะหาสู้ทำประเภทเผาเกลี่ยนี้ได้แม้แต่กิเลสที่เหนียวแน่นกว่าโรคชนิดต่างๆมันยังต้องพินาศไปเพราะธรรมประเภทนี้สังหารทําลาย ท่านตอบอย่างน่าฟังและฝังใจไม่มีวันลืมว่าขันเป็นขันโรคเป็นโรคกิเลสเป็นกิเลสธรรมเป็นธรรมมันคนละอย่างยู่ยาควรแก่การรักษาโรคปราบโรคธรรมควรแก่การแก้กิเลสปราบกิเลสจะนํามาปราบโรคบางชนิดมันไม่เหมาะสมกันโรคที่ควรจะหายด้วยธรรมก็มีที่ไม่อาจหายได้ด้วยธรรมก็มีผู้ปฏิบัติควรทําความเข้าใจเอาไว้อย่าให้ความรู้ความเชื่อการกระทําเลยเถิดแห่งธรรมคือความพอดี การแสดงวันนี้เราแสดงเป็นธรรมล้วนๆเพื่อความรื่นเรืองในธรรมทั้งหลายและเพื่อถอถอนกิเลสในขณะฟังมีได้เกี่ยวกับขันจะหายโรคจะพินาศดังที่เข้าใจนั้นขันจะหายหรือจะตายไม่สําคัญแต่สําคัญที่ให้กิเลสตายจากใจเพราะธรรมที่แสดงนี้เผาผักะเ ผ, ผ, ผาผลาญ น, นั่นเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับพวกเรานักปฏิบัติธรรมดังนั้นจงพากันพิจารณาไตรตรองด้วยปัญญาในธรรมที่กล่าวมา จะเป็นกำลังใจและส่งเสริมอุบายสติปัญญาถอดถอนกิเลสภายในออกได้เป็นวักเป็นตอนครั้งพุทธการท่านฟังธรรมด้วยโอปณนะอีโกน้อมทำเข้าสู่ตนโดยลำดับที่ได้ยินได้ฟังไม่ยอมให้ธรรมนั้นรั่วไหลดุดลอยผ่านหูผ่านใจไ ป, ปเปล่าๆดังพวกเราโซนมากฟังกันผลคือการแก้การถอดถอนกิเลสในขณะฟังจึงไม่ค่อยปรากฏเท่าที่ควรดีไม่ดีคอยสั่งสมกิเลสในขณะฟังยังมีดาดืน เพียงแต่ไม่สนใจคิดกันจึงไม่ทราบได้ว่าตนฟังเพื่อทำหรือฟังเพื่อกิเลสพอกพูนตัวหัวเราะรำพระพุทธเจ้าแลสาวกท่านเทศเทศจะทำของจริงภายในพระไทยและใจล้วนๆมิได้เทศจากความจําของสัญญาดังพวกเราเทศปฏิปทาเครื่องดําเนินทุกประเภททั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดท่านบําเพ็ญมายังเต็มกําลังและรู้อย่างเต็มพระไทยและเต็มหัวใจทั้งฝ่ายมากเป็นขันขันทั้งฝ่ายผลเป็นภูมภูมิ นับแต่ภูมิต่ำจนถึงภูมิอันสูงสุดมีหตดหลุดพ้นท่านจึงเทศอย่างไม่อัดไม่อันมีแต่ธรรมบริสุทธิ์ล้วนๆหลั่งไหลออกมาจากกระแสะแห่งใจกลมกลืนกันออกมากับกระแสะเสียงผู้ฟังด้วยความผู้ฟังด้วยความสนใจมุ่งต่อความจริงล้วนๆจึงสามารถตักตวงเอาธรรมของจริงขึ้นมาอย่างเต็มหัวใจไม่ขาดทุนศูนดอกจากการฟังธรรมแต่ละครั้งๆกิเลสจะเป็นประเภทใดก็ตามแม้ฝังลึกลงคู่หัวใจเมื่อสติปัญญาธรรมเป็นต้น เขย่าก่อกวนโลนลามอยู่ไม่หยุดยัง้งกิเลสย่อมโยกคลอนแต่ถูกถอนขึ้นมาทีละชิ้นละอันสุดท้ายใจก็เป็นเรือนร้างว่างเปล่าจากกิเลสทั้งปวงกลายเป็นใจที่สมบูรณ์ด้วยธรรมขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้จงพากันตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติภาวนาให้ถึงใจทุกอย่างความจริงใจต่อธรรมเข้าถึงไหนความโยคลอนถอนตัวของกิเลสจะกระเทือนถึงนั้นโดยไม่ต้องสงสัยทั้งครั้งนี้และครั้งพุทธกาล ผู้ปฏิบัติจริงสามารถบรรลุมากผลนิพพานได้เท่าเทียมกันสมกับทำเป็นหลักธรรมชาติคงเส้นคงวามัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมเหมาะสมกับการฆ่ากิเลสให้หลุดลอยจากใจมาแล้วทุกยุคทุกสมัยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าจงระวังกิเลสอย่างเดียวที่เป็นกู้แข่งธรรมอย่าให้มันปีนขึ้นบนหัวได้จะทายรถลงทันทีจงระวังให้ดีเอาละพูดพอเป็นคติเตือนใจท่านผู้มีความจงรักภักดีต่อครูอาจารย์ อุตสาหมาเยี่ยมเยียนตามจารีตประเพณีของคนผู้เคารพนับถือกันอาการป่วยท่านค่อยทุเลาและหายเป็นปกติในที่สุดนับแต่ท่านเริ่มป่วยดังที่เขียนผ่านมาแล้วเป็นเวลาสีเดือนกว่าบรรดาในแพทย์ผู้พยาบาลรักษามีศาสตราจารย์ในแพทย์อวยเกตสิงห์เป็นต้นตลอดในแพทย์และพยาบาลทางโรงพยาบาลอุดรธานีต่างท่านมิได้นิ่งนอนใจช่วยคันพยาบาลรักษาท่านสุดกำลังความสามารถเรื่อยมาแต่เริ่มแรกป่วย จนอาการกลับดีขึ้นเพราะคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพยาบาลรักษาและค่อยดีขึ้นเรือเ่อยๆจนเป็นปกติได้นับว่าหลวงปู่ท่านชุบชีวิตใหม่เป็นผู้ใหม่ขึ้นมาในหลวงปู่องค์เก่าต้องขออภัยท่านปููอันมากๆด้วยที่เรียนเล่าประวัติการป่วยของหลวงปู่ขาวเพียงย่อยๆไม่เต็มตเต็มน่วยตามความเป็นมาท้งนี้เพราะหลวงตาผู้เขียนก็แก่มากแล้ว สุขภาพไม่อำนวยงานก็ยุ่งและสับสนราวกับตามรอยโคในข้ อ, อกนั่นแหละจึงหวังได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านด้วยดีตอนป่วยปีหนึ่งจบแค่นี้ที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาท่านนึกถึงอะไรสิ่งนั้นมักจะมาตามความรำพึงนึกคิดท่านเสมอเช่นนึกถึงช้างว่าหายหน้าไปไหนเป็นปีๆแล้วไม่เห็นผ่านมาทางนี้บ้างเลยหรือถูกในพรานยิงตายเสแล้วพอตกกลางคืนดึกๆึ ช้างทูนั้นก็มาหาจริงๆและเดินตรงเข้ามายังกูดีที่ท่านพักอยู่มายืนรูปคลําสิ่งต่างๆในบริเวณกูดีท่านพอให้ทราบว่าเขามาหาแล้วก็กลับเข้าป่าเข้าเขาและหายเงียบไปเลยไม่กลับมาอีกเวลารำพึงนึกถึงเสือก็เหมือนกันว่าเสือที่เคยเดินผ่านมาที่นี่บ่อยๆบัดนี้หายหน้าไปไหนนานแล้วไม่เห็นมาอีกหรือถูกเขาฆ่าตายกันหมดแล้วเพียงนึกถึงเสือตอนกลางวันแต่พอตก ตอนกลางคืนซื้อก็ามาเที่ยวเพ่นพ่านภายในวัดและบริเวณที่ท่านพักอยู่จริงๆพอเป็นนิมิตให้ท่านทราบว่าเขายังอยู่ยังไม่ตายดังที่วิตกถึงแล้วก็หนีไปไม่มาซ้ำซ้ำซากๆอีกเลยท่านเหล่าว่าตอนนึกถึงสัตว์ต่างๆรู้สึกแปลกอยู่มากผิด ธ, ธรรมดาพอนึกถึงทีไรถึงสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดนั้นมักจะมาหาท่านแทบทุกครั้งที่นึกถึงเขาคล้ายกับมีอะไรไปบอกเขาให้สัตว์นั้นๆทราบและให้มาหาท่าน พระวิเศษทางภายในอย่างท่านคงมีเทพาอารักคอยให้อารักขาและคอยอำนวยความสะดวกตามความคิดเห็นต่างๆอยู่เสมอพอคิดอะไรขึ้นมาจึงมักมีเครื่องสนองตอบทางความคิดเสมอมาถ้าไม่มีทำไมจะมีอะไรมาหาท่านตรงตามความคิดเสียทุกครั้งเช่นนั้นอย่างเราๆท่านๆผิดคนละกี่ร้อยกี่พันเรื่องและกี่ร้อยกี่พันหนก็ไม่เห็นมีอะไรมาตอบสนองความนึกคิดความต้องการบ้างเลยพอให้ทราบว่า เราก็มีอะไรดีๆพอตัวผู้หนึ่งที่ควรได้รับความเทิดทูลอย่างท่านนอกจากคิดลมๆแรงๆไปพอให้กวนใจได้รับความลำบากทรมานเปบบล่าๆเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรพอเป็นชิ้นดีแฝงมาบ้างเลยจึงน่าอับอายความคิดของตัวที่ขนแต่กองทุกข์มาให้วันละกี่ร้อยกี่พันเรื่องจนสมองถื่อหมดกำลังที่จะทำงานต่อไป